มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินธปัญหาปฐมวัคศีลปปฏิฐานลักษณะปัญหาที่เก้าถามว่า ลักษณะที่จะได้นิพพานมีอะไรเป็นที่ตั้งลำดับนั้นมาบรมกษัตริย์พระราชาปุชฉาถามซึ่งอัฏฐปัญหาสืบต่อไปว่าลักษณะที่จะได้พระนิพพานไม่เกิดอีกนี้อาศัยเหตุอย่างไรพระนาคเกษแก้ว่าขอถวายพระพรบุคคลที่ไม่เกิดใหม่ไปพระนิพพานนั้นด้วยเหตุสามประการคือกุศลอันหนึ่ง ได้แก่บารมีสร้างมานั้นแก่กล้าอย่างหนึ่งมีมานาสิการอุตสาหายึดน่วงถือมั่นซึ่งตัวกุศลอย่างหนึ่งและเอาปัญญาตัดตัวอกุศลให้ขาดในสันดานอย่างหนึ่งนี่แหละพร้อมได้เหตุสามประการจึงจะได้พระนิพพานมิได้เวียนว่ายในวัฏฏะสงสารเกิดเป็นร่างกายต่อไปในการครั้งนั้นราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินบรมกษัตริย์ มีพระราชโงคงการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าบุคคลไม่เกิดอีกด้วยได้กระทำกุศลอื่นไว้โยมยังไม่เข้าใจกุศลอันอื่นนั้นอย่างไรจงวิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในชวีบชมภูพื้นกุศลอันอื่นคือศีลบารมีและสติปัฏฐานสมาธิและปัญญาบารมีเป็นต้นนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสีหลังอันว่าสีนี้กิ่งลักษณงมีลักขณะอย่างไร นิมนต์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสสถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิพ ร, ราชสมพานสีลังอันว่าสีนี้ปฏิฐานะลักษณงมีลักขณะเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงนี่แหละสีนี้ประเสริฐใหญ่หลวงเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงคืออิน 5, รีห้าภละห้าโพชฌงเจ็ด สติปฐาน ส, สัมมับปทานสอิทธิบาทสชฌานสี่วิโมกขธรรม8ปดสมาธิหนึ่งสมาบัตร8ประการดุราณะป พ, พิษพระราชสมภารบุคคลจะไม่ถอยไม่เสื่อมจากกองกุศลธรรมทั้งปวงนี้ก็อาศัยศีลเป็นที่ตั้งขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรจึงตรัสอาราธนาว่า อุปมาให้โยมเห็นแจ้งก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสริงคารเปรียบานดุดพืชชคามภูตะคามพืชชคามคือพืชอันแรกงอกขึ้นนั้นและภูตะคามได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าอันเทวดาสิงปะทวีนิสายะ อาศัยพันดินแล้วงอกจำเริญแตกหน่อก่ อ, อก้านกิ่งใบผลิดอกออกผลต้นลำยะถามีอุ ป, ปมาฉันใดขอถวายพระพรโยคาวัจโร و, พระโยคาวจรก็อาศัยปาติโมคะสังวรวิสุทธิสีนั้นยังอินรีห้าคือสัตธินศีหนึ่งวิริยินศีหนึ่งสัตตินศีหนึ่งสมาตินศีหนึ่ง ปัญญินีหนึ่งให้จำเริญไปจำเริญไปมีอุปมาเหมือนต้นไม้ใบหญ้าพืชละดาวันอันงอกรก่มไปอาศัยแก่แผ่นดินนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระน่าเกษณ์องค์อารหาธิบดี ก็มีเทระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุษบุคคลทั้งหลายอันกระทาการกสิกรรมการไร่การนาการค้าล้อค้าก่นการสทลามากเป็นการบกดาษไปทั้งพื้นปฐพีปัทวิงนิสายะก็อาศัยแก่แผ่นดินชันใดสีนี้ ก็เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมเมื่อโยคาวาจรสถิตในปาติโมคขสังวรสีนั้นก็ยังปัญจะอินรีห้าประการนี้มีอินรีแห่งศรัทธาเป็นต้นคือให้มีศรัทธาเป็นใหญ่จำเริญได้มีอุปมายดุดบุคคลทั้งหลายกระทำการอาศัยพื้นแผ่นดินฉะนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินเป็นสาคละนะครมีพระราชะองค์การอาราธนาว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระนาคเสนผู้ปรีชาจึงอุปมาต่อไปอีกเล่าว่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเจ้าดุดหนึ่งว่าบุคคลมีวิชาการข้างเล่นเต้นโลดลอดบวงและวิชาบางเหลื่อมนั้นย่อมขุดแผ่นดินหินกรวดหลักต่อให้ราบรื่นกระทำพื้นภูมิภาคให้เสมอเป็นอันดี อาศัยพื้นแผ่นดินเป็นที่ตั้งจึงได้แสดงวิชาของอาตมายะถามีครุบนาฉันใดโยคาวะจอนเจ้าตั้งอยู่ในพระปาติโมกขสังวรศีนอาศัยสีนั้นก็ยังปัญนจะอินสีห้าคือสัตธินสีวิริยินสีสัตินสีสมาตินสีปัญยินสีให้จำเริญขึ้น เปรียบดุดพื้นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งเหมือนพวกหกขเมนเต้นโลดลอดบ่วงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีกก่อนพระนาคเษนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบดุดนายวัตกีสร้างพระนครมราชธ า, านี โสเป ต, ตวาจึงถานที่ให้เตียนคานุกันทกังนำเสี้ยนน้ำหลักต่อตัดโค่นให้ราบสมังกัตตวาปราพื้นให้ราบดีแล้วจึงกระทําเป็นรา ช, ชธานีนครยะถาฉันใดพระโยคาวัจรก็รักษาศีลสังวรให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอันดียังอินสีห้าคือสัตถินสีคือวิริยินสี คือสตินสีคือสมาทินสีคือปัญญินสีให้จำเริญเป็นอันดีเหมือนวัตถกีอันสร้างนคร น, นั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินทรงได้ยินพระหน้ า, าเกษมอุปมามีพระราชองการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านั้นพระหน้ า, าเกษมถวายพระพรแก่พระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีเป็นอุปมาว่ายังมีโยธาจตุรง อันจะเข้าสู่พิชัยสงครามรบพุ่งฆ่าฟันซึ่งปัจจามิตรอันมาก็ย่อมหาที่ชัยภูมิอันดีกระทำพื้นปัถภพีให้ราบปราบให้ดีที่จะตั้งค่ายขู่ครั้นศัตรูมาโยธานั้นก็รบชนะมีชัยยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยสีละสังวรเป็นที่ตั้งยังอินสีห้า คือสัตถินรีสตินรีวิริยินรีสมาทินรีปัญญินรีให้บังเกิดจำเริญในบวรสันดานเปรียบปานดุทหารโยธาอันอาศัยกระทาที่ชยภูมิก่อนจึงมีชัยฉะนั้นอันหนึ่งเล่าก็สมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระบรมโลกนายกยิ่งบุคคลทศพลยาน รัฐประธานธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าศีเลปฏิทายะนโรสปัโยูจิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิขุโสอิมังวิชะตะเยชะตันติอายังปฏิทถาธรณีวปาณีนังอิทันจะมูลังกุศลาภิวุธยามูละมิทังสัพพชินานุสาสนี สสีลักขันโธวะรปาติโมคิโยติในกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าฝูงชนคนใดมีใจศรัทธาศีเลปฏิท t ายะตั้งอยู่ในศีล ร, รักษาศีลไว้ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นภิกษุจำเริญไปในสมาธิจิตและสมาธิปัญญาก็ยังสมาธิจิตและสมาธิปัญญาให้จำเริญ นิปกโกก็จะมีปัญญาแก่กล้าเหตุว่ามีเพียรให้กิเลสเร่าร้อนก็จะถึงธรรมวิเศษกําจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาภายนอกภายในให้ขาดไปจากสันดานศีลเป็นเหตุที่จะให้ถาวรเป็นผลเป็นรากเง่าเป็นลำเป็นต้นที่จะให้เกิดก่อกองกุศลทารณีวะ ดุดปัทภีดนพื้นภูมิภาคแผ่นธรณีอันหนาแน่นได้สองแสนสี่หมื่นโยธอันเป็นที่ตั้งแห่งโขดเขาลำเนานาทีอันเป็นที่พึ่งแก่นหน้าครุฑมนุษย์นิกรอมอพูดปีศาจสัพพสัตวทุกชาติย่อมอาศัยทั่วดินแดนธรณีมีครุวนาชันใดศีลที่รักษาไว้ก็เหมือนกันศีลนั้นคือศีละขันได้แก่พระปาติโมกันประเสรศิฐ อันบังเกิดตั้งมั่นไปในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นที่สั่งสอนสืบมาสัพพชินานังแห่งสมเด็จพระชินเนนทรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นนี่แหละคำอัตมาอันวิสัชนาก็สมด้วยพระพุทธดีกาโปรดไวเชนี้ขอถวายพระพรเมื่อพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขเป็นอุปมาอุปไมเชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นธรณี ก็ชื่นชมพี่รมยินดีตรัสว่าปัญหาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้ก็สมควรนักหนาในการบัดนี้ศีลปฏิทฐานะลกะขณะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้